จุดเลยนิสัยเีเล ย, ย, ยเราทํางานทุงไหนก็ต้องรู้ไม่ได้เด็ดเมัม่อวัวเรามีถ้ามีคนมาทำผิดเราเราสาปแช่งเขาไหมให้มึงคลิปหายตายคว่ำเราไม่มีถ้าไม่มีก็เป็นพระโสดาบั น, นถ้าเราเขาทําผิดเราแต่ชาติก่อนก็ให้แยกกันไปซะถ้าเขามาก่อใหม่ก็ให้แยกกันไปซะเราจะไม่จองเว้นแต่เราโกรธอยู่ แต่เราไม่จองเวรนั่นแหะภูมิภาคตะวันตกปวดเบาแล้วปวดอันนั้นไม่สามารถจะไปนรกไม่สามารถจะไปเป็นชัตจีรฉาเนี่ยปวดอันนั้นโลภอันนั้นก็ไม่สามารถจะไปเป็นชัตจีรถาเนี่ยสมมุติว่าภรรยาของคุณมีผู้สาวมาชอบคุณสูเฮสิไงไงมาแห้แตงเลย่ะคุณก็ไม่เอาเพราะคุณ ซักซื่อต่อภรรยาเดิมของคุณภรรยา ก, ก็เหมือนกันใครจะมาล่วงล่วงละเมิดจากภรรยาและสามีของตนล่วงไปไม่ได้พระศรีดวันไม่ยอมยอมตายต่อความสัตย์ความจริงเมื่อเชษดายอยากล่วงละเมิดสามีและภรรยาของตนด้วยนั่นแหะครูพระศรีดวันถ้าเชษดายอยากล่วงละเมิดภรรยาและสามีของตนอยู่ก็ไม่ใช่พระศรีราวันนะพระคราคามีจะยิ่งไปใหญ่แล้วพระอานาคามียิ่งแล้วละนี่แหละเคร่องวัดเมื่อเชษดาอยากล่วงละเมิดสบายยมุ ถ้าเสียดายอยากล่วงละเมิดสิ้นห้าถ้าเสียดายอยากล่วงละเมิดสิ้นห้าอยู่ก็ไม่ใช่พระโสดาบันถ้าเสียดายอยากจะถือศาสนาอื่นรัฐที่อื่นอยู่ก็ไม่ใช่พระโสดาบันนะเห็นฉะนั้นวิจิตรฉาของท่านจึงขาดไปศีลรัพปตาป a มา m ของท่านจึงขาดสังโยชนนี่สังโยชน์ก็ว่าสังโยต์ก็ว่ากามราคะของท่านเบากามราคะของท่านเบาไม่ถึงกับล่วงละเมิดพลรงยาของตนไม่ถึงล่วงละเมิดกำทรามีของตน แม้ถึงร่วงละเมิดกับคนอื่นที่เขาห้องแหงนั่นและไม่ค่าขายเครื่องประหารไม่ค่าขายมนุษย์ไม่ค่าขายสัตว์เป็นอะไรเนี่ยสถานที่ก็วฆ่าพืเป็นอะไรไม่ค่าขายน้ำมองไม่ค่าขายยาพิษไม่เชื่อใจอย่างร่องละเมิดเลยอืมเลี้ยพะเลี้ยหรเลี้ยวยอันนี้ก็ไม่เอานี่รักษาพระตัวนี้อย่าให้มันไหลไปทางโลกทางกูดทางหลวงมีพระองค์เดียวนี่นี่เขาว่าอย่งนั้นแต่พระเล็กยไรภายนอกเราไม่เอาละ ของอยู่ยงคงพันภายนอกไม่ีวิชาเสน่วิชาของกอดก็ไม่มีในพระสวดาวันวิชาทำนายทายทักเลขจะออกวันนี้หวยจะออกวันนั้นก็ไม่มีในะพระสวดาวันนั่นค่าขายค่าขายเครื่องประหารประหารค่าขายสุราไม่มีเนอ้อไม่มีในพระสวดาวันเนอ้อไม่ใช่ไรค่าขา ย, ยาให้ขวดละล้านบาทก็ไม่เอาเน้อนันั่นแหะ พ, พวพระสวดาวัน มนแ่คม ง, ง, ง่ายๆเนอะบันที่โตขั้นมาภาบัณฑิตเป็นผู้คองเรียนก็คือนักตะก็กจะดับันไปนะจนถึงอน า, าคามีองถามท่า น, นในคองละ ถ, ถ้าอนาคามีท น, นคองกิจาขึ้นมาไปดีทัานคอ ง, คอ ง, คองยแต่ว่าท่านในีกลา ม, มาลงท่นคองคองยู่คองเรือนส่วนขราาท่านในคองละไม่ไม่สมฐานะของท่า น, น, น, น, นถ้าเป็นฆราวาสเนีเ่ยแต่ท่านจะมาบวชสักาการแผ่พระ แต่โซ่ล็อปูไม่ไม่เสียดายจากแขวนล็อปูถือเอาแขวนใน ห, หัวใจแล้วนไงแต่ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบนไงเมื่อเวลาเอาไว้บนหัวล็อปูก็ไม่ได้ขึ้นหน้าพระมาทางนี้ล็อปูขึ้นหลังพระใส่กัดท้างหลังเลยเพราะเวลาเราเกาแข้งเา้าขา <c oughs> ก็ต่อหน้ า, พ า, พาเพระพระปฏิมากรแขนพระก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันคือเ่องอบอุ่นแล้วเวลาดื่มชุรายอย่า ย, ยกคว า, ามข้าหัวี่ แขนก็ไเป็นไรหรอกแขนไหวพระโดาวันท่านไม่ห่วงแขนท่านไม่ห so, ่วงจะแขนหรอกท่านไม่ห่วงจะทำรถน้ำมตนด้วยท่านไม่ห่วงจะเอาไฟผูกแขนด้วยท่านไม่ห่วงว่าจะถือเลืองียามดีด้วยท่านไม่ห่วงเลยท่านไม่ไปตู่วันต yeah> ู่คืนถ้ามาเลือดียามดีถ้าว่าวันอุกกาบาตวันโรกาวีนา มันก็มีที่แทงเหมือนกันพ้าวันไหนวันไม่ดี <c oughs> ก็ให้เศรษฐีมาขอทานศีลเขาก็เป็นเศรษฐีเจมพูงเลยถ้าอย่างนั้นวันไหนไม่ดีก็พระละหันก็ต้องมาเป็นพุทธชนเสียก่อนวันดีจึงเลื่องขึ้นไปตรงตำแหน่งพระละันนะ <c oughs> <c oughs> ยกคำยกคำศีลถือว่าศีลพุทธในศาสตร์นี้ศาสตระนี้นดีเด่าสูขคำศีลพุทธ ย, ยกไหมลังเกยประัฒนาของตนเอง เรามาลูกพันพุทโธนิพพานธรรมโมนิพนนพานสังโหนนิพพาน่ะพระสลจดวันถ้าขาดล่องหุนหนึ่งก็พุทโธธมโมสังโหนิพพานังไม่ได้ขาดเพื่อแก้ตัวต้องมีสติอย่างจะภาวนาน้อยก็ตามภาวนามากก็ตามก็หวังคลทุกนาว่าจะสงสารเท่านั้นพระสัจดวันไม่ได้หวังอันอื่น น, นถูก ผีก็ถือแล้วก็ศิยปศาสตร์ก็ถืออะไรก็ถือเล่ก็เล่นมันหาบไม่หาบแล้วนะวามามก็ไม่สมบูรณ์ สมบนถ้ากาบผิดมาทางนี้ก็ น, นึกถึงพุโทโธธรรมอเส้ามัก็ไม่หมดมันก็หมดเรื่องนะแค่ mm hmm. กาบล๊อปูมันกันกาบร่างกระดูกลอปูมันก็ไม่บุญไม่ได้บุญนะกาบถึงพุโทโธธรโมสังโฆมันจังได้บุญมากนะถ้กไหม mm hmm. นนลังเลลูกคำลังเลลูกคำไม่คิดคิดาเนะ mm hmm. ลศีลศีลปปัตปรมาสน่นแหละศีลปัิ ตละมาดอ่ะตละมาศนะรูปค่ะลังเลลังเลลังเลไม่ตกลงได้เรีมื่อกี้คิษสารน่ะล็อกปูอ๋อล็อกปูไปพักอยู่ที่เขาเท่าอยู่ที่เขาเท่าจังหวัดพังงาคิดเขาบวงสวงถีไปตรงนี้นี่ใต้หิ้วนี่ใต้หน้าผานี่นี่ใต้หน้าผ้ายาวไป นี่ตะวันต้องผีที่นี้ที่นี่ที่นี้กระเจียงที่เขามามูชาเนาะ่ปู่ไม่ยอมขินหัวมาใส่มันหลวกปู่ขินหัวไปทางที่ไหนหลวงปู่ก็ไม่สอมไปรองเพะอะไรมันนี่น้ำต้นงูใหญ่มะเ่หลวงปู่หลวงปู่ก็ไม่เชื่อว่ามันมันทำงูใหญ่มะฮ่าหลวงปู่หลวงปู่ไม่ไล้กลั บ, บหลวงปู่ไม่ยอมขินหัวมาทส่ไปทางที่เขาวสงสรนงผี มันขึ้นอยู่กับใจของเขาถ้าใจเราเชื่อแน่อันไหนใจเราเชื่อแนใ่ในพระพุทธธรรมประสงค์ยังไม่พอควมเรื่อมใสในพุทธธรรมพระสงค์ยังไม่พอมันก็เป็นเหตุให้สงสัยสินั่นถ้าควรเรื่อมใสในพุทธธรรมประสงค์พอแล้วมันมันก็ไม่มันก็เป็นเหตุไม่ให้สงสยัยละมันยังสงสัยว่านัทที่อื่นดีเทียมพระบรมศรราลาอยู่ ถ้าว่าในไต้เทกัธาตุตั้นอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันไม่อะไรมีเทียมถึงหดอกที่เพียงหัวเข่าขององค์พระพุทธราสนาผสมค์ก็ได้เพียงฝาเท้าก็ยังไม่ได้ถ้าเราไม่เขีอย่างนั้น่การกราบพระพุทธรรมนาผสมมันก็เป็นจริงการยอมเต็มยอมตายในพระพุทธราสนาผสมมันก็มีมีไม่ยอมตายในพระพุทธศาสนาผสมเสียหนเพราะเกรงว่าผีจะมากินหัวพูดเหมือนกับพูดลูกหลานเน้อ พูดแบบพูดให้ลูกหลานฟังเนอะนี่เนออย่าไปโกรธให้ลุงปู่เนอะเ <c oughs> ข้าใจนะถ้าลงปู่ไม่พลอยใจอธิบายสิ่งนั้นสิ่งใดสิ่งนั้นนะ่ะลุงปู่ไม่ไม่ยินดีด้วยพอเล้วไม่ใช่ลุงปู่ไม่รู้ สิ่งไหนที่หลวงปู่ไม่พอใจอธิบายไม่ใช่หลวงปู่คาคำคาคําถามเน้อเรียกว่าหลวงปู่ปฏิปทาหลวงปู่ไม่ได้ไปแถวนั้น่ะมาสอนแสดงให้เห็นชัดแล้วถูกไหมพรหมข้าวโมรมาสากถสอนว่าพรมอยู่พรมของข้าพเจ้าคือพระโสดาบันพระคาคามียนาคามียพานัน หน้าของข้าพรเจ้าคือพระสวสดาบาลสักทะตาคามนาคานีพระละหันท่านพูดอย่างนั้นพรหมของข้าก็คือพระสวสดาบาลสกราคามีพระละหันท่านพูดอย่างนั้นเทวบรมศาตราพหมของข้าก็คือพระสวสดาบาลสกราคามีพระนาคานีพระละหันท่านว่าอย่างนั้นท่านก็เรียกความเหมือนกันเรียกพรหมเหมือนกันพรหมของข้าคืออย่างนั้นท่านพูดอย่างนั้นเทวรมศาสตาหน้าของข้าก็คือพระสวสดาบาลสกทะตาคามนาคานีพระละหันหน้าของท่านท่านหน้าของเราท่านพูดอย่างนั้นพรวบรมศาสตรา เขาพูดพมท่านก็ผู้เหมือนกันแต่พมของข้าคือพระพุทธา บ, บาลสัพพะสามีนาสามีพระลังันท่านพูดอย่างนั้นพระบรมศาสดาพมของข้าก็เหมือนกันพรหมของข้าก็คือพระพุทธาบาลสัพพะสามีนาสามีพระลังันพรามของข้าก็เหมือนกันหน้าของข้าก็เหมือนกันวันทิกของข้าก็เหมือนกันคือพระพุทธา บ, บาลสัพพะสามีนาสามีพระลังันท่านพูดอย่างนั้นทํานไมพูดนี้หลักเลยพระบรมศาสดานั่นทีนี้เราจะพิจารณาอย่งไรเมื่อท่านยืนยันอย่างนั้นเนี่ยนัดเราพิจารณาก็เห็นสมอีกด้วยไม่ใช่เป็นเชนกาเชื่อ ศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อแล้วมีปัญญาสมยุท์ด้วยนั่นพระพุทธเจ้าก็มีพระสงฆ์ก็มีเดี๋ยวเดียเเียก็ก็ไม่เหมาะเท่าไรเดี๋ยวก็ต้องรูปผีก็ต้องมีอีกสิก็ไม่ถูกก็ก็ไม่ถูกก็ เท้าสุที่นี่บางคนบางคนเขาก็ทําติดตัวพระพุทธเจ้ามาด้วยเขาทําเป็นมารมาก็มีทําหน้าที่ขึงขังอย่างนี้มากขามีเขาทํารักษาพระพุทธรูกอันนั้นมันแกะไม่ออกถ้ามันแกะออกหลวงปู่ก็จะไปแกะมันแกะไม่ออกมีอยู่ข้างบนแต่ว่ามันเขาทําเป็นรักษาพระพุทธรูกเขาน้อมเป็นรักษาพระพุทธลูกเขาทําเทวดาเทวดบุตรเป็นเป็นที่รักษาพระพุทธรู ada, กรรอันนั้นช่างเขาเจออันนั้น เอาไว้ถ้าถ้าเอาไวต้ตำกอดันเมื่อเป็นปัญหาอย่าเอาไปไว้เพียงเสมอกันเนญญออไม่ไม่พระวิชีพกิจฉาพลังเรยังยังยังพลังเลย์วิชีพกิจฉาอยู่ ถูกถูกถูกให้ถือว่าคุณเวดามันนาปูย่าตาทวน่ะเป็นเมืองขึ้นของคําสอนในพุทธศาสนาใช่ครับคุณเวรามันนาปูยาตาทวดก็เป็นพระนครอันหนึ่งก็ให้ถือว่าเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาเราถืออย่างนั้นเราอย่าไปถือเป็นเอกเทศแต่เฉพาะส่วนตัวคุณเวดามันนาของเราก็เป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาเราถืออย่างนั้น ยังเป็นสาวกยังไม่ได้เพราะท่านป่าชนาพุทธภูมิถ้าว่าท่านป่าถนะเป็นนางพิศนีหรือนางพุชษามานานั่นมันก็ถูกตามฐานะถ้าท่านยังป่าถนาเป็นพุทธภูมิหรือท่านยังไม่เป็นเพศชายท่านเป็นเพศผู้ชายก็ต่อมันจึงจะรงนับได้เป็นผู้หญิงยังนับไม่ได้ยังยังราตัดยัง อย่างเพราะท่านยังเป็นเพศผู้หญิงอยู่เนี่ยถ้าหากว่าท่านป่าถนะเป็นสาวกมันได้อยู่ท่านป่าถนาเป็นพุทธภูมิมันไม่ได้ถ้าป่าถนาท่านป่าชนาเป็นสาวกเป็นสาวิกาในอนาคตมาจะมาข้างหน้านจะเป็นพระละหันสาวกของพระพุทธเจ้ามาในข้างหน้ามันก็เป็นอย่างหนึ่งเพราะมันสามารถเป็นได้พระละหันส่วนพระสัมมาสพุทธเจ้ามันต้องเป็นเพศผู้ชายซะก่อนมันจะเป็นได้ ส่วนพระวพระอรหัน์เน่ยเพศผู้หญิงก็เป็นได้พระว่าศาสนาพาคระัวัตัวเน่ยเพศผู้หญิงนได้ส่วนพระมาสพเ้าเป็นเพศผู้ชายก็กมันเป็ได้ียังเเพศผู้หญิงอยู่ยงมาเรออ่อนอยู่านถงนั่นเหล่จมืดเลยนายโดนบดบิณฑ์เนนายดมีปัญญาเนี่ย นายแบบพึ่งขาได้นายแบบสุภาพเร้ยว่ามันนายสิไปผูกข้อตายเรียกวผูกข้อตายพวกเนี้ยเน่เด็กมารู้สิไปกับแล้วมันเปนกรรบกวนเสียเป็นทหารนสองเที่ยขอข้อจะเปนออเปีนด่ดีอ่ะตตีดีๆนะเด็กาขาวไปสอบคน น, นี้แล้วนะเพิ่มเงินรู้ว่าสอบต้งหูขนาดวันพุธออกไลท์เพิ่มเวนออกไลคือห่อได้คนเงินคนอายุวันันสุขังพลังเราไปทันเลย้องกูเชีย หลวงพูเทศคนหลบรอตัวเป็นกาังนงินเงินเยกลางหล อ, อกตัวเลยน ะ, ะน้องเห็นนิมนมากกางหน อ, อกตัวยนะนยนลหลง่ายหลวงพเทคนพาแห้งเลยล่ะเพะ่าทั้งกภายนอกไฟน้อยอคนหลบรอสำจรหลวงพูเทศคนอายุสามทีก็คือผู้เบาเป็นการจวนมาค่ะอืมเป็นการจวนเป็นคนตำแนคนจัดจวนเคนหนาซื้นเลยหนาซื่ ใส่ใผู้อดนี่นตวนคนนาซื่นคนนาหยิมหยิบแยแบแก้มไส่ห <c oughs> คนหนาหมูตม้มรล้พูดก็แหงนยไม่มาเนี้แล้วบ อ, ห, อ <c oughs> หนาหมูต้มหอเ <c oughs> ม่ห้าให้ห่อแต่เม่ชื่นใจแม่ห้าหน้าให้ ห, ม, ม, ห <c oughs> มูห่าหาหอคันเน ห, ห่าลาบบักโคตรโลดบักนาบุยมุ่มีเกียสันปัดเย็นตอนนั้นเม่ห้ายห ขันท้ายห่อขันมาอ่อยห่อเนะ่ยนะานห่อยา น, ห, ยานห่เสียใจมัดทายสั้นแม่ให้ห่บ อ, บอบักนาโมต้มบักนาโมยมุ <c oughs> ้มีแกนะดาห่อสร้างออกไหมละ่ะไม่ออกอย่เราพูดในี้คะหมเน็ดนะดูติดเลยทำไปนกันนเงินจีบปวดนั่นโดนั่นโดนนะมาธนาปวดไม่ติดมาธนาปวดประจิบเห็ น, ค น, นคนทุกข์กค สาสมมาเรื่อยๆนี่บวชมาแต่เทียแล้วมันไ่ทัสมบัติเจ็บเที่อวแลวะสบวชบวชที่แทนดง็บวชที่ห้าหกีก็ไปบวชเขาพัาบวชที่ถแปลก็ไ่ไปยังเรอพอจิตทหา่านบวชตั้งเจเทียมเทื่อวีเจ็ไมพระราเ็นอเพยูบานนี่แหละเะรอเห็นยูบาทก็เห็นแท โอไม่ได้หลวงปู่ใช้แล้วเนี่ยกับผมขอได้ไหมครับถ้าเรางปู่ไช้แล้วผมขอได้ไหมครับไม่ได้มันสซกระโปกไม่ให้โซกกระโปกก็อยากจะได้ครับไม่เอาให้อันอื่นดีกว่าไม่ให้นี่ผู้ขอก็าโกแล้วผู้ให้มันจะไม่เป็นธรรมผู้ขอเป็นธรรมแล้วผู้ให้ไม่รู้จักประมาณมันไม่เป็นธรรมเพราะมันโซกระปกแล้วไม่ให้หรอกอันนี้ไม่เคยให้ใครสักทีเพราะมันสซกระปก ผขอมันก็เป็นธรรมอยู่แต่ผู้ให้ไม่รู้จักประมาณมันมนผิดธรรมถูกไหมผูขอมันถูกแล้วผู้ให้ไม่รู้จักประมาณเป็นไม่เป็นธรรมของตะกไปให้กันไม่ถูกผูกนะเวลาปฏิบัตินะครับที่หลวงปูบอกว่าในที่นั่นอยู่แล้วร่างกายเรานี้เราจับตูวไว้ทางนาำ ม, มันปวดนะครับ เราก็ตามรู้ว่ามันเกิดแบบนี้ก็จับไปเลยว่าที่จุดของปวดนี่มันเป็นยังไง น, นะคกายจะกระทุกทุกทางกายเจตสิกทุกทุกทางใจกายจะกระทุกมันเป็นของธรรมชาติแล้วจะเว้นมันไม่ได้พนอนเอ๋ยน้องเหี้ยน้ำนักอนาน้ามาให้เราดื่มเถิดนะเรียกว่าเรียกว่ากายจะกระทุกนะแต่จิตใจของท่านไม่ไม่โศกเศร้า เร า, ารู้ว่าตามันจริงนะเวทนาก็จะำใเวทนาไม่สําคัญาเราเป็นเวทนาเวทนาไม่เป็นเราเราก็ข้ามเวทนาเท่านั้นทุกข์ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของทุกข์นะทุกข์ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของสุขแล้วอุเบกขาก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอุเบกขาเราไม่เข้าเข้าไปสอดแทรกทั้งสุขทั้งทุกขทั้งอุเบกขาด้วยแล้วพิสตอออกพิสตอออกไหมยุทธตอออกทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอุเบกขาอ ถ้าอยางนั้นเราก็ข้ามไม่ได้ในขณะพระรยาเจ้าจึงมาจิตยอยู่ในอุเบกขาจี่อิงกับกายอุเบกขาพระรหันต์คือช้าลังผู้เบกขานั่นอุเบก ข, ขาที่พ่นแล้วอุเบกขาของพวกเรานี่อุเบกขาที่อิงอามิเนี่ยอุเบกขาเนี่ผมมาวิหารก็เป็นอันหนึง่งอุเบกขาเนี่ยพอดชมก็เป็นอันหนึง่ง มืเบีขาของพระหนังนี่นมีอยู่ทุกทิวทวบทของจิตเลยท่านไม่สงคัญตัวท่านอยู่ในที่ใดใดทั้งสิ้นปัญหาของท่านจึงไม่มีที่จะแก้อีกท่านไม่รักษาจิตท่านเพราะจิตท่านพ้นไปจากความหลงแล้วถ้ารัท่านรักษาจิตท่านอยู่ท่านก็เป็นคนคุมโทษมันก็เป็นทุกข์ตาย เราชอบพูดกันอยู่บ่อยๆว่าดีใจมากคำว่าดีใจไม่ควมไดใจใหม่มาที่ไหนมันก็ใจดวงเก่านั่นเองเสียใจมากเราเคยพูดกันรแม่ตัวของเราเราก็เคยพูดถ้ามาทิ่จันให้สิทวนนแล้วเสียใจมากก็ไม่ควรเสียใจทำไมก็พรใจมันเสียไปไหนมันก็มีอยู่นี่แหละดีใจมากได้ใจดวงไหมมาอีกก็ใจดวงเก่านั่นเองน่ะจิงดีใจ นี่เป็นโอบายโอบายสอนตนเองเพื่อจะให้มาให้ดีใจมากเพื่อจะไม่ให้เสียใจมากคือมันจะเกิดก่อนมันเกิดเรามีหน้าที่เห็นเรวตามรู้ว่าความรู้สึกไม่ทนามันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นมาแล้วผ่านกายไปเราปล่อยให้มันเป่ยนไปปล่อยให้มันเปลี่ยนไปมันกําลังมันก็เะมันกระดุดเหมือนกันเวทนาทุกทุกอุบัติาเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกสลาย เหมือนดังหัวฝีเธอจงรู้ตาม เ, เาามาา ป, ป, ป็นจนระิงซะเราบรุษมศกาลเวทนาปุบพนาอัชัตตาปณิทตาโวลาริตาคู่มารีนาปณิตาอันอันอยากก็ตามอันละเอียดก็ดีอันฝันก็ดีเกิดขึ้นแ ล, ล้วาไปแล้เธอทั้งหลายอยากไปยบานะเป็นเราเป็นของเราเนอะเราบุรุษมศกาลเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงซะเมื่อเธอทั้งหลายรู้ตามเป็นจริงแล้ว อสะมโมหะของเธอก็บาวางลงรักษาโทสะโมหะของเธอถ้าเธอไม่รู้ตามเป็จริงแล้วเธอก็เป็นทุกข์ใหญ่สิ่งไหนที่ไม่สมประสงค์เธอก็เป็นทุกข์ใหญ่ในโลกนะ้รมันไม่สมประสงค์กับใครเลยสกปรกกายมันก็ไม่สมมันไม่สมประสงค์กับใครของภายนอกก็มันการขอภายไรก็มอนกันมันไม่สมประสงค์กับเจตออกมันเวลาที่ยังไงมันก็ไปอย่างนั้นของมันเราก็รู้ตามเป็นจริงเท้านั้น เรามีหน้าที่รู้ตามมันจริงเท่านั้นหัดแค่รู้ตามมันจริงเท่านั้นไม่ได้หัดแปรแต่งมันทีนี้ปัญหามันชอบอัดปานะครคือเราเอาตัวกิเลสมันเข้าไปคอมันตัดสินมาแล้วเนี่ยทีนี้จับได้ว่าหน้าที่เราเป็นหนึงผู้อยู่แต่ใจหนึ่มันก็ตอนนี้มันต่อสู้นะต่อสู้ทีนี้ว่าก็ทนอยู่ทีนี้ว่าปัญหาคือขันติตัวรนทั้งในที่บอกว่ามันกับผู้งนะครับขับพุไม่เห็นเลยว่ามันมันร้อนมันเป็นยังไงความรู้สึกถึงมาช่วงนั้นถึงมาเขาไม่หลงะ เราไม่ยอมจํานวนเราจํานวนอยู่แต่ว right. ่าของกูอย่างนี้ตัวก yes. ูของกูเนี่ยมันเป็นของสําคัญมากเพราะว่าตัวอนิจจังทุกครั้งอนัตตามันก็แล้วไปมันเป็นแต่สักว่าธาตุว่าธรรมว่าขันใจเป็นแตสักว่าใจธาตุเป็นแสักว่าธาตุธรรมเป็นแสักว่ธรรมขันเป็นแตสักว่าขันไม่มีใครเป็นเจ้าของใจไม่มีใครเป็นเจ้าของขันไม่มีใครเป็นเจ้าของธาตุธาตุก็เป็นของต่าง ทำก็เป็นการทําอันว่าทำทั้งหลายที่ทรงอยู่ทั้งที่เป็นโลกีและโลกุตระไม่ได้อยู่อํานาจของกายก็เป็นอยู่ตามสภาวของธรรมเราก็ไม่ยึดถือว่าเราเป็นธรรมธรรมเป็นเราเราไม่ยึดถือว่าธาตุเป็นเราเราเป็นธาตุเราไม่ยึดถือว่าขันเป็นเราเราเป็นขันอันนี้เราต้องพลิกออกนี่เราสูดสมมุติว่าของปูของข้าวของท่านแล้วก็พูดตามกับสมมติถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีสิ่งที่จะพูดก็เต่าเหมือนกันมันขึ้นน้ามาแล้ว มันลงไปเล่าให้ปลาฟังปลาก็เคยเห็นแต่น้าเหมือนจอกเหมือนแหนยอยู่ที่นั่นไหมเหมือนซาลาอยู่ที่นั่นไหมไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, มันก็บอกอย่างต่อเธอไปมันบกเราไปมันบกเราเห็นอะไรอันนี้เราสนุกสบายอย่างนั้นอย่างนี้มาเล่าให้ปลาฟังปลาก็เอาแต่สิ่งที่อยู่ในน้ํา ำ, ำมาเทียบพอมันเคยเห็นแต่อันนั้นพวกเราก็ฉั้นได้ ก, ก็ดีท่านผู้พ้นไปแล้วมาเล่าให้เราฟังแล้วก็ ตีความหมายว่าพระนิพพานคงจะเป็นอปภัพทศนคงจะอย่างนี้อย่างนี้อยู่อย่างนั้นอย่างนี้ค ว, วาดผ้าไปเฉพาะเราเคยเห็นแต่สิ่งที่อยู่ในโลกแล้วเขาโลกไปวาดผ้าไป mm hmm. ใครเป็นผู้เห็นพระนิพพานก็พูดถึงพระนิพพานนั่นเองผู้ใดเป็นผู้เห็นสังขารก็พูดยึดมั่นถือสังขาร น, นั่นเองใครเป็นผู้รู้จริงตามพระนิพพานสังขารก็รู้ด้วยพระนิพพานก็รู้ด้ว ย, ว, ยว่า ขพระนิพพานทางนั้นลูกตามเป็นพระนิพพานที่สมมติเกิดเลยสมมุติพระาารหัสนี่เแต่อายท่แค่พ ร, าา ร, ระรหัสถ้าพระรหันในโลกไปมีซะและ้วมีแต่ดินหน้าไปยลมอันนั้นเป็นคําชื่อเฉยๆคาสมมุติหพระรหันในข้าวนร า, ารไม่เห็นดังที่ว่ามาแล้วม่นคืนนี่แหละ จะไปอย่าอย่าทากูท้ากนะเรจัการ<ม>ผมขออยากจัดเชิญพรุกปรไปดั่งพรเชิญสิทธิรุง่งปูสกงคหนึ่งซึ่งเป็นพระสุโภชไปแสดงธรรมที่มุกิติในวันที่ตั้งคืนในปีหนึ่งจะเปิดปลายวันไหนก็ได้พีจ่ายชาบลง้าก่อนแล้วจะมารับที่สนามบินหรือทางถฟ ลูงปู่พร้อที่จะมีพระสุภเนวไปแสดงทำดาสโอมหรือเปล่าคะหรือลูกปู่จะไ ป, ไ ป, ไไปลูงปู่ไปม่ไหวไปเชิญตะกรงปู่ในปีหนึ่งมีสิ2องเดือนนี่วันที่ใดที่จะไปได้ก็ให้แจ้งทางมูลนิธิทราบจะได้กำหมดให้ทราบให้ประกาศให้ญาติโยมทราบจะได้มา ท, ทําีแล้วก็ฟังทำพอผมได้วันไดนิมนต์ทั่วประเทศเลย ที่เป็น พ, พระศุภินมูมูนิธิอย่างนั้นหรอือขับมูนิจัดขึ้นครับมูนิธิจัดขึ้นในหงมูมนิธิของหลวงปู่มั่นมูนิธิเม่ตตธรรมชาต น, น<อ>ที่มาท้ า, า, ามระปาค์เล็กจ๊พระท่านกําลังปฏิบัติโชคโทนอยู่ตามที่กาลังของของ้างที่เราจะเอาพระไปอย่างนั้นก็เอาไปทิ้งเอาไปเสียไม่ไหวหรอก ที่ว่าท่านไม่มีลูิษย์ที่ว่าวปเป็นปฏิปันชอบที่จะเป็นตัวแทนของทกก็กมีอยู่แต่นนี้เขาเขามันชอบเทศไม่ชอบเพศยเขาไม่ชอบเทศก็เนืเขาก็ไม่ไมหคือใบเพศมากก็สักนิดน้อยคืนนิดน้อยคืนหรือว่าไปไปได้ทสังฆทานอะไรที่ว่าทำบุญด้วยกันเป็นจุดสาคัญเลย อันนี้อยามใหท่านปรึกษาลูกๆร้านๆดูเราจะไปรับผ่อนเมื่อไหร่ก็ติเราอันนี้ก็ให้ลอู่พิจารณาก่อนก็ได้รับแล้วก็ส่งให้เจาบบา้าวาดจะให้อะไรมาแล้วเมื่อไหร่ในสิบสองเดือนนี้ในะวันที่กำลังนนั้นก็เขียนที่ส่งจมาให้ถ้าส่งจะไปะส่งวันที่ไหนจไหมส่งวันที่มูลิิครับเขียนครับ ท, <ะ>ที่อยู่จำ<ะ>ยัยงที่ ที่ผมเคยกับผมเคยเชียนมาแจ้งให้ลูกของเจ้าก็าจะมาทัพ ป, ป่าอยู่นี่เข้าใจเออเราจะเอาพ้าไปอย่างนั้นผ้าเสียเนี่ยนี่จะผ้าใหม่อยู่พระใหม่ถ้ามีผู้ยอว่าเทศดีก็ติดอยู่ถา้าถ้ามีผู้ตดเตียนว่าเทศไม่ดีก็จะเสียใจพระเหลื อ, องเลยไม่ <c oughs> สำคัญมาก <c oughs> นั่นเขาพยักก็ย อ, อก็ติดเข้าไปยอมก็เสียใจนั่น <c oughs> ไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกถ้าประเทศในกรุงเทพบ่อยๆ่ะก็ไปหาเทศที่นั่นที่นี่เนี่ยที่มีผู้เยมนก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องไม่เหมาะสมเท่าไหร่หรืว่าน้องผูกจะไปเลยไม่ล้องผูกไม่ไหวหรอกล้องผูกไม่ไหวหรอกล้องผูกผ มันพอตายแล้วคใครอยากให้กินอะไรก็ออกมาถึงนี่ให้ไปขี้ไปกอดกินลุบผ ม, มไม่ไปที่ข้างพุทธการเหนี่เยียได้ท่านจึงไปประกาศาระศาสนาทีนี้ขาวธรรมทูตเราก็คัดค้านคัดค้านพระฝ่ายปกครองกดดุเราแต่ว่าสู้เราไม่ได้ เขาทำมาโทษไปเที่ยวเทศบ้านะครับพุทธการก็ยังไปเที่ยวถูกอยู่ขลัข้างพุทธการเพราะมันมีแต่ศาสน า, าพราหมณศาสนาอื่นนะครับพระพุทธศาสน า, ายังไม่มีในยุคนั้นมีแต่ศาสนา อ, อื่นประชันขันแข่ ง, ขงกันอยู่ทําให้ทําเหมือนท่านอาจารย์มั่นเ อ, อ้ท่านอาจารย์มั่นท่านไม่บวชมาไปเที่ยวเทศเอาคนเนอท่านไปพักอยู่ที่ แห่งใดแห่งหนึ่งถ้าเขาไปหาท่านท่านก็เทศเราเขาไม่ไปหาท่านท่านก็ไม่ไปเคาะบันไดเขาเทศเราพูดอย่างนี้ก็ช่วเราไม่ได้ทีนี้พูดไปประกาศศาสนาข้างพุทธการอย่างต่ำเข้าประสวดาบันแต่ก็ไม่ค่อยมีด้วยเป็นประหลังทั้งนั้นไปะ แต่ทุกวันเนี้พระใจเปลี่ยนอกมันมีครบอยู่ได้เขาขายอีกซะลุ้ยเนี่ยแต่ก่อนมันไม่มีคําสอนพระพุทธศาสนาขั้งพุทธการมีมีมีดมีทิศเดียวเท่านั้นในยุคเนี้ในยุคพระโคตมะในโคดิเป็นยุคเป็นยุคมายุกพระเจ้าองค์ก่อนก็เหมือนกันที่ท่านมาเป็นพระธรรมทศพุทธเจ้าเมื่อแรกมันก็ยังมีคําสอนเนี่ยฉะนั้นจึงโชคดนมาประกาศพระศาสนาถ้าเราไปอย่างนั้นก็มีเสียมากกว่าได้เนอะําหรับผู้ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวันตาสงสาร มีเสียมากกว่าได้เนอไปอย่างนั้นสําหรับพระสํำรับโยไม่เป็นปัญหาหรอกสหรับพระก็มีเสียมากกว่าได้เราเข้าไปกรุงเทพเราไม่อยากไปเขารูโทรว่าพระมาหาเงินเราไม่อยากไปนิสัยของเราเป็นอย่างนั้นเก็บตัวปฏิบัติตามภาษาเนอะเมื่อโมมาพี่น้องมาหาประเทศให้ฟังเมื่อพี่น้องไมมาหาหลวงปู่ก็ไม่ไม่หิ้ยเทศเดี๋ยเทศอยู่ในในวัดมันก็เบื่อแล้ว๋ะเนี้ เข้าใจไหมอืมนี่ก็เป็นเรื่องลองเกลือลองปูเหมือนกันนะเนี่ยก็รลองปูจตตรีตลาดเขาไปกรุงเทพไหมแต่สาวก็ลองปูยังอายุยืนต่อไปอีกก็จะมาก่างวปูข้าง นี่เรื่องจะเอาพระไปให้อยู่กันแช่นก่อนเรอบไปเอาวัดอื่นซะวัด <c oughs> <c oughs> น, นี้ยุ่งสมองจะแต่งให้ใครไปก็ยุ่งสองเหมือนกันย้อนไปเสียเท่ากับว่าปล่อยไปลาไหลลงในตมมันไปเลย <c oughs> ไม่ไหมดอกเมื <c oughs> ่อพูดถึงขั้นสุปฏิปนโนแล้ว ก็ต้องพยายามถึงอุุต้องต้องพยายามถึงยายะก็ต้องพยายามถึงสามีจิเช่นพระเจ้าพิมพิสารท่านเดินจงกรมอยู่ก็ผมก็นึกว่าจะเอาสักทาคามีในวันนี้พระเจ้าค่า น, น่ท่านได้พระสดาวันแล้วเธอทั้งหลายเมื่ อ, อยังไม่พ้นทุกข์นวัรสเ้างสารเธอทั้งหลายอย่านอนใจพระบรมศาลาเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลัง ย่งตามค้อยถึงพระสวัสดิวันเป็นตัวอย่างนั้นผวงพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติมันต้องหนักรองในปัจจุบันนิตปัจจุบันธรรมอนาคตการไม่มีในธรรมหนักรงในปัจจุบันนจิจปัจจุบันธรรมจะตัดจะเป็นพระสวัสดิวันจะเป็นพระจกทาคามี จะเป็นพระอนาคามีจะเป็นพระรหัสก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตจะขี้นความสงสัยในตอนไหนๆก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตไม่ใช่ทำอดีตไม่ใช่ทํำอนาคตเ่็นชาติท่านจึงเน้นลงในปัจจุบันปัจจุบันนันตโยธรรมผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่ว่างเน้นคอนเทนต์ทางพุทธศาสนาเลยผู้นั้นจะไม่กลวตัวตนด้วยจะไม่กล่าวตัวพระศาสนาด้วยเพราะเอาปัจจุบันเป็นตัวประกัน ปัจจุบันรำมีทั้งสังขารเต็มภูมิแล้วมีทั้งความเกิดความดับหาระหว่างไม่ได้มีทั้งความไม่เกิดไม่ดับหาระหว่างไม่ได้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เห็นไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่เห็นไม่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้ทั้งหลายมีจริงอยู่ทุกการเลยไม่ลงธรรมาจะว่าอาการทีโกอาการทีโกเขาผัสสะดาวันปัจจุบันเขาผัสสะดาวันปัจจุบันเขาจะทาคามี ปัจจุบันของพระอนาคามีปัจจุบันของพระลรหันมียิ่งยวดกว่ากันเนอไม่ได้เสมอกันตาขคนก็ต่างต่างอ้างปัจจุบันเหมือนกันตาขคนก็ต่างอ้างผู้รู้เหมือนกันผู้รู้พระโสดาบันผู้รู้สักขทาคามีผู้รู้พระอนาคามีผู้รู้พระละหันมียิ่งยวดกว่ากันนะทำก็เหมือนกันทำพระโสดาบันทำสักทาคามีทำพระอนาคามีทำพระละหันก็ยิ่งยวดกว่ากันศีลก็เหมือนกันสมาธิเสมอกันความเห็นก็เหมือนกันคณะคิดเดียวแล้วทุกชาติในต่างล่านชาติแล้ว เขเห็นอันนี้จังชัดชาติก่อนท่านเป็นมาอะไรเป็นอะไรมาบ้างธรรมชาติีพิทุกขัาแล้วก็ทุกเท่านั้นตอบอย่างนี้มันมันจะมันจะผิดอะไรจะมีกี่ระล่านชาติก็เป็นทุกเท่านั้นธรร ม, มชาติเนี่ยเขาตอบอย่างนั้นจะว่าเขาผิดไหมไม่ผิดเขาตอบทางปัญญาเขาไม่ได้ได้ตอบทางสมาธิและพิญญาเขาเหนือไปอพิญญาไปแล้ว่ะผู้พิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาไมไ่ติดอยู่ในนิมิตเนอะ ส่วนญาติในมิตรอันนี้มิตตายิตรอันเป็นหิตายมิตนิมิตของเขาเป็นของว่างมเพราะเขาซักสู่ลงอันนี้จำทุกครั้งอะไรตายหมดแล้วเข้าใจไหมผู้ที่ติดอยู่ในมิตรในในมิตรตายคาใเมิตรพวกนี้ไปพมมโลกนิมิตแปลเครื่องหมายนิมิตเดิมคือกรรมฐานที่ตั้งไว้นิมิตเขกที่มาเคยมาพาดเป็นต้นต้นมาแสงสว่างเป็นต้นหรือเทวบุตรเทวดาเป็นต้นหรือนรกสวรรค์เป็นต้นนี่คือกรณีนิมิตแขก นิมิตเดิมคือกรรมฐานที่ตั้งไว้นิมิตแปลวเครื่องหมายนิมิตเดิมก็ยังเป็นอันนีจ้งทุกขั้งอนัตตาอยู่ก็จับเอานิมิตเดิมนั่นเองเป็นมิปัาทนานั่นเมื่อเห็นนิมิตเดิมเป็นมิจัาทนาปัญญาแล้วนิมิตอื่นๆก็อันเดียวกันน่นกรรมฐานในพุทธศาสนาเนี่มีสองกรรมฐานเท่านั้นแหะเพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียยงอารมณนิมิต เพ่งนามเป็นอารมณ์เรียกว่านามนิมิตนิมิ ต, มตจำสองอย่างนี้อยู่ใต้อำนาจอนิจังใครายไม้ เ, เกิดเส้นขอแปลผลได้แต่สลา ย, ยางั้นปัญญายะปริสุดส ต, ติมุคผลฉบริสุทธ์ก็พระปัญญาปัญญาโลกระถิปัจโชโตแสงสว่างสมเอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาสองทะลุหมดัดในใจโลกธาตุ เห็นใจโลกธาตุเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วที่มีปัญหาจะเกิดมาจากอะไรอีกาะถ้าเยอทยานในวัฏตจตัทรสงสารจะมีมาจากประตูไหนอี่ถ้าเห็นชัดก็ลงถึงบางโอบางอาบางเอเอโอเราหลงมานานแล้วพอนนั้นก็นาพาวนาให้ชนะความหลงเจ้าของช น, นะก็ชนะเกลียดตนเอง ชนะอื่นมีดา ด, ดืนน้อมเถพระพุทธศาสนาไม่ได้เอามาปนเปพูดถ้าช น, นะชนะตนเองไปเท่านั้นพระศอดาวันชนะตนเองได้เที่ยวหนึ่งและไม่ขับขบวคืนสมมุติว่าข่าศึกรบข่าศึกยึดได้อำเภอไหนอําเภอนั้นไม่ขบวดคืนยึดได้จังหวัดไหนจังหวัดนั้นไม่ขบวดคืนส่วนพระหัน์ยึดได้เมืองหลวงแล้วไม่ขบวดคืน เมืองหลวงคือใจน่ะพวกเราเป็นคอมมอนิสต์ทุกๆคนน่ะคอมมอนิสต์คือราคะโทสะโมหะน่ะมันตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่ที่รอบเมืองใจเราเราภาวนากู้ชาตินะคือกู้อริยชาติคืออริยชาติคือชาติพราหันคอมมอนิสต์มันตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่ที่รอบเมืองใจของเราเน้นถ้าไม่มีเหล็กก็ไม่มีสนิมถ้าไม่มีสนิมก็ไม่มีเหล็ก ถ้ายึดถือเหล็กก็คือยึดถือสนมิ่นั่นเองถ้ายึดถือสีมิ่งก็คือยึดถือเหล็กนั่นเองเหตุฉะนั้นพระรเจ้าท่านจึงไม่ยึดถือใจมนัดสมิงป็นี้บินนัดติท่านเบื่อหน่ายในจิตเหมือนกันทําเมื่เป็นี้บินนัดติทำทั้งหลายไหลเข้ามาสู่ใจท่านก็ไมยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลท่านก็ข้ามไปแล้วเลือกสู่จ้งเป็นผู้รู้จักตาจงนผู้รู้จักหูจ้อเป็นผู้รู้จักจมูกรู้จักนิ้วรู้จักกายรู้จักกาตาไม่ใช่ตตน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 อายตระพายนอกมีรูปเป็นต้นก็มนไม่ใช่ตัวตนวิญ ญ, ญาณไม่จักปูวิญ ญ, ญาณมากระทบกันเรียกสัมผัสมีชื่อตามอายตระพยายเป็นในเป็นหคือจักปูสัมผัสโสตสัมผัสคานาสัมผัสเชีวหาสัมผัสกายสัมผัสสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเกิดสุบางโทบา ง, บา ง, งเวียดขาว่างสิ่งเหล่านี้พระเรมศาสนามาันยึดถือว่าให้เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตรูเป็นบุคลให้รู้ตามเป็นจริงทั้งนั้นรู้ตามเป็นจริงแล้วมันปล่อยเองมันวางเองมันเราไม่สมมุติว่าวางมันหรอก เช่นลมพัดมาฮะเราเร า, เรามสมมติว่าบางมันมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็มาพัดมาอีกก็ผ่านไปเองกลมลมภายนอกลมภายในอารมณ์ก็เหมือนกันนั่นไปถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ได้ไปละมันสายไปโค้งมาทางนี้เนาะนี่ไปทางนี้ <c oughs> อย่าไปลองทางกัร น, นอะอ่ะพุโทโธธรม <c oughs> รมโมเทสโค เพราัดท้านเออันั่เนี่ยคนรั้นมาทามาสงพอเนียปูดีิก็จะมาอ่าถ้าบนวัดสนามมีสต่างคนต่างก็ได้ร่วมการมาสืชาติก่อนจึงพบกันอีกถ้าหากว่าเนพบก่อนชาก่อนได้พบกันเพียงนี้ล้วก็เลีวไปถ้าว่ายังมีอยู่อีกก็ต้องพบกันอีกถูกไหมแต่ว่าลวงปู่จะอยู่ไปกี่วันไม่ทราบเนอะ้ก็ตาย ไปเดี๋ยวมาเนี่ยไปละถ้าจะมาเล่นกับหลวงปู่แล้วมดวันแล้วันนี่ <c oughs> จไปละกลบาวก็กลับมฟังปูแล้วไม่ <c oughs> าาง่หาเหานอนเลยฟังกระซานหวค่ะต้องมาอยู่ท่านเจ็ดวันตั้งเอะบางคนท่านท่านพูดว่าถ้าพูดมากมันจิตไม่สงบว่าอย่างนั้นถ้ารั่เท่ามันมันก็สงบอยู่เหมือนกัน ปูคกรับเออไปปจุประจุพิวขานับเลาออไปประจุประจุพุโธรรมสัโกทรรมสัโฆเลเดียกคนะพุธรมพระสง์อัญสงพระคุณข้าหาประมาณไม่ได้จงตามรักษาพวกลูกหลานจะให้มีอันตรายใดใดทั้งสิ้นจนถึงที่สุดทุกรดยชอบอยู่ทุกเมื่อเถิดพอทโธธรมัโก ไมมีโอกาสจากโมีโอกาสจะาขอมัปฏิบัติครวเมอเราม่แต่งงานกันไมกนแต่ผมัชนาเป็นหลังเสร็จปแล้วกัขอได้ผมไม่มาที่นีเป็นอันตราเออเออเออขอให้ได้ตามความเหมพุทโธทมทั้งโกขอให้ได้ตามความประสมเอาในทางที่ชอบ เอนียกระเป๋าใครหายกได้หายแล้ก uh, well. ันคุบอกว่าทุกท่านลูก้ัาอเรื่องะไรเรา่งเาออดเค่าุกจุกไปูได้ทำกว่าน่ะปูได้ทากทนนั้นด้วยเเออาดีมากอู่ทั้งหมดัโกรุนาดีทุกท่านทุกท่านมีสมสมทัเอ้าทาเป็นโรคกระบายคือคุ้มครองโรคต้องยางความละอายต่อบาบ ความกลัวต่อบาะเท่านั้นจะกลมกลวงลงได้ถ้าไม่มีความละอายต่อบาะไม่มีความกลัวต่อบาะแล้ ว, ก, ก, วก้นไม้ก้นหมูกก้อนักกดอนพวกก้อนจ้งางไม่อยู่ห ม, หำำหมู่ของทำไม่ลาคําหนึ่งพวกวัตถุพึงพิงเองอาศัยเอาความชั่วในที่แจ้งมาได้พอไปทําในที่รับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นแกนของชาวโลก พระพุทธศาสนาเป็นธรรมอาทิปไตยพระพเจ้าจะมาขี่ล้านพระองค์ก็ตามก็มาบัญญัติธรรมอันเก่าก็รธรรมอันเก่าเป็นธรรมอาทิปไตยพอแล้วไม่ใช่ประทายชาอาิปไตยไม่ใช่อัตตาอาทิปไตยเพราะนี่เป็นของสำกัญมากพระัาเทวมารุษสานังเป็นคําสอนของเทวนาและมษษารุต่างหลายด้วยสิ่งไหนที่พระบรมศาสดามันจะสอนมันมีเลย พระพุรธศาสนาเป็นสถาบันของชาวโลกเรื่องชาวโลกจากเขารลกนั่นแหลเขารลกมันก็เป็นเรื่องของชาวโลกแต่ความจริงแล้วเป็นสถาบันของชาวโลกถ้าว่าชาวโลกไม่เชื่อหน้าบอเลบูรลคนหมายคนหมวก็พักคนพวกก็ไม่ต้องมีมากทหารตำรวจก็ไม่ต้องมีคกฎหมายก็ไม่ต้องขึ้นว่า บันทิตโตลมาวาสังบันทิตเป็นผู้ครองเรือนพระบรมศาสดาสาทอย่างนั้นเพราะเปนทรรันเก่าไม่ได้รบร้างเลยจะมีกี่ร้าน์พระองค์ก็เป็นธรรมันเก่าทำรับาลผู้ครองโลกต้องอาศัายหลักธรรมพระเจ้าทิมพิสาร่วงอนานาจสิทีิศาสทรงพระนามเวลาชามากระโท แปลว่าพระเจ้าแผ่นดินมรพที่ท่านตั้งอดกฎหมายเอาเองเพราะท่านเป็นพระสวัาดวันมีชิ้นห้ามาราบูนถือพระพุทธศาสนายิ่งกว่าชีวิตของตนยอมตายแม้เส่ยดต่อพระพุทธศาสนาถึงพระพุทธศาสนาอย่างแน่แท้ไม่เอาศาสตราอื่นมาเป็นเจ้าของใจนี้ ผู้ที่มีเส้นห้าตั้งกฎหมายก็ต้องมองดูเส้นห้าแล้วก็ไม่เข้าข้างตัวด้วยไม่เข้าข้างพักข้างพวกด้วยไม่เข้าไม่ไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยไม่เป็นโลกาธิปไตยด้วยเป็นธรรมช า, ต, าติปไตยพระเจ้าพิมพิสารสองอำนาจชี้ขาดในกรุงอาจจะคือสึ ง, สงพระนมามวราชามาคาโท้แปลว่าพระเจ้าแผ่นดินมรคต พวกเราเป็นหัวจับเป็นหัวจักประเทศชาติเพาสำคัญมากพวกเราประเทศเป็นบ้านฐานเป็นรั่วถ้าไม่มีฐานก็ตั้งอยู่ไม่ได้พราะฉะนั้นสถาบัของพวกเราหนึ่งพระพุทธศาสนาสองชาติสามสาศาสนาแน้นี้ค่ะ คอพวกคนทั้งหลายที่เขาราจงมองดูสถาบันสาบอันนี่ให้ยกเทิดไว้แล้วไปตั้งกฎหมายทับฟังออกไหมเออนี่นี่นี่นี่นีออ่เขาไม่ถือว่ามีบาปมีบุญเขาไปได้ไหมนั่นถูกไห ม, มคนของกรรมเป็นของสำคัญ ไม่เลือกเช่นวันลนะได้ใดตามสนองมดลูกหลานเอ๋ย<อ>เอาจะทําถูกหรือไม่ถูกก็าตามไม่ไม่เลือกเช่นวันลนะตามสนองอีกกคตม้โคตรหมู่กคตรพักโคพวกของเขานะ่ะพร้อเรานะั่นเมื่อมันจกเกษียณแล้วมันก็หมดเรื่องไปอันนั้นจกเกษียณนะเพื่นตามสนองเราทุกชาติทุกภพอันนี้สองสำคัญมากขอให้พวกหลานๆพิจารณา ก็ลูกหลานพิจารณาช่วยกันเนอะความไหวกายไว้วางใจยก็คือไหวกายวางใจพราะวกท่านเองเพราะท่านเป็นเป็นหัวหน้าปกครองโลกปกครองประเทศชาติเพราะพราประเทศเป็นว่าทหารเป็นรุ่อพวกท่านเป็นผู้มีเกียรติไงเมื่อตีความหมายพวกท่านมาเหมือนแขกยามพ่อบ้านเนอะให้เกียรติให้ยศเนอะชัวงไหมนั่น อันนี้สําคัญนะชาติจะตั้งโดยได้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แกนของประเทศนชาติพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนายิ่งกว่าศาสนาใดในใจโลกทานศาสนาอื่นประเทศอื่นเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาเนอไม่พูดอีกก็จริงอีกเข้มทิพจะมีกี่ร้านก็เชื่อไปในทางทิพเหนือหมด เป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือชั้นใดก็ดีคําสอนใดก็เป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นน่ยไม่พูดอีกก็จริงอีกเชียงทิศจะมีกี่ล่านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่ก็ผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่ก็ผู้ไม่รู้ความจริงในชั้นนี้ก็ไม่ไม่ไม่หนีไม่ไม่ไม่มีกับวันกลางคืนมีอยู่ทุกการด้วย นั่นหมายมว่าพระพะบรมศาสดาพระสรนหนึ่งยอดด้วยยอดจ้องนับถือว่าเป็นภรรยาสองไม้ไม่ดูหมิ่นสามได้ไม่ประพฤ่อต้องใจที่เรื่าความเป็นใหญ่ให้ห้าได้ให้เครื่องแต่งตัวภรรยาได้รับอำลังในี้แล้วยอดอนุพะสามีด้วยสถานห้าหนึ่งจากการงานดีสองสมพระคนข้างเคียงของพวดีสามไม่กระพฤ่อต้องใจหัว สี่รักษาทรัพย์ที่ผูอาหารมาในว้ยข้อห้าขย้ำในเกีย่ยวข้าในกิจการทาั้งตัวนระหว่างพิธามานดาองค์ทางข้อสอนหนึ่งณระหว่างบุตรพิดาท่านได้เรียกมาในเรื่อย่างทัานตอสองทํากิจของท่านสามดำรงวงตระกูลสีประพฤติตนเป็นคนคนทรัพย์มรดกข้อห้าเมื่อท่านรองรับไปแล้วทำบุญโดยที่ท้ท่าน น, น, นระหว่างท่านลงทุนก่อนหนึ่งห้าไม่ทำความชั่ว สองให้นำไปตัอ้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสี่หาภรรยาและสามีที่สมควรให้ก็ห้ามเมื่อทราบภายในสมัยในระหว่างบ่าวกับนายพระบระมศาสดาขอสอนหนึ่งจัดการงานให้ทํ า, ท า, ทาตามสมควรแก่กาลังสองด้วยให้อาหารในรางวันสามด้วยพยาบาลในเวลาเก็บไข้สี่ด้วยแจกของในรถแฝกประหลาดให้กินก็ห้าวด้วยปล่อยในสมัยทนี่สําหรับบ่าวทีีน้ หนึ่งลุกขึ้นทำการงานก่อนนายสองเลิการงานทีหลังนายสามถือเอาแต่น้อยของที่นายให้มาถือแล้วไม่รับจอบรับเสียงไปด้วยสี่ทำทำงานให้ดีขึ้นถ้านําคนของนายไปเสนอเสนอกันทีนั้นนั้นการสอนความพุทธศาสตรนะ์สอนคารวะ ต, ตรงตรงเลยสอนที่คือร์สัมมินาผ่านมาแล้วเนีนะ่ยเ <c oughs> อาไปยังมุกเป็น <c oughs> เครื่องเห็ุเหตุเครื่องชิบนหายหกเนอหนึ่งดื่มหน้าเมาสองเที่ยว ก, กันคืนสามเที่ดูกันเล่น ทีเรื่องการทำงา น, นห้าครอบคนช่วเป็นมิตรหกเกียรติข้ารรมทํางานในทางที่ชอบหนึ่งลืมหน้าเมามีโทษถกหนึ่งเสียทรัพย์สองต อ, งองการฉล้อยวาาสามเกิดโรคสี่ต้องตีเตียนห้าไม่รู้จักอายหกทอนกำลังปัญญาแลอวเที่ยวกลางคืนมีโทษถกเชื่อว่าไปรักษาตัวชื่อว่าไรักษาหลบมีเชื่อว่ามันไรักษาทรัพย์สมบัติสีเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายข้อห้า 5, มักสุกใส่ความหกได้ความลําบากมาก สามเชื่อดูการเล่นเมตโซดตามมัถุที่ไปดูหกหนึ่งรำที่ไหนก็ไปที่นั้นสองเด็ดสีตีเปล่าที่ไหนก็ไปที่นั่นสามจะพลาที่ไหนไปที่นั่นสี่เฟืองที่ไหนไปที่นั้นห้าเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นอันนี้เขาเป็นทางชีย์ผายเราอบายมุกคนเชื่อเป็นเมตเมตโซดตามบุคคลที่ครบหกหนึ่งนำให้เป็นนักเลงหญิงสองนำให้เป็นนักเลงสุราสามให้เป็นคนนําให้เป็นคนวางเขาจะของปลอมห้านำหนึ่งนำให้เป็นนักเลงหญิง สนำให้เป็นนักเลงโซลาสามนำให้เป็นนักเลง เ, เ, เล่นการพนันสี่นำให้เป็นคนรวงเขาสองของปลอมห้านำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้าหกนำให้เป็นหัวไม้เกียร์ท่านทํางานมีโทษหกหนึ่งมักให้อ้างว่าหนอนักแล้วมาทํางานสองมักให้อ้างว่าร้อนนักแล้วมาทํางานสามพักมักให้อ้างว่าเวลาเช้าอยู่แล้วมาทํางานมักให้อ้างว่าเวลาเย็นแล้วแล้วมาทํางานมักให้อ้างว่าหิวนักแล้วมาทํางานมักให้อ้างว่า นาหายนักแล้วมางานผู้หวังเจริญโดยพวกกระซับจงเว้นเหตุเครื่องขีพายหกประการนี่สียแย่พระบรมสารีรายที่นี้ในระหว่างพระพระรมศาสตรายสอนคารวะาขับภาพพิสูดสามปเด็นหนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรให้ประกอบไปเมตตาสองด้วยปัจจ ก, กรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบไปเมตตาสามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบไปเมตตาที่ด้วยความเป็นผู้ให้ปิดประตู คือห้ามไให้เข้าบ้านเรือนคือคือให้วินทบาทคือห้ามไม่ให้เกียรวางวินทบาดและให้ความสะดวกด้วยแล้ว่าเปิดประตูทางกายทางวาจาทางใจให้ความสะดวกห้าด้วยฮะห้าด้วยให้อาเมจฐานสมณะพรามได้รับบำรุงเช่นนี้แล้ว พิสูจน์ซมาเรีด้วยต้องอนุเคราะห์ด้วยสถานหกหนึ่งให้ไม่กระทั่คนชั่วสองแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี่ทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แกมสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังมาเคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แกมหกบอกทางสวรรค์ให้นีหน้าที่ของพระเนี่ยหน้าที่ของพระวา่าก็ที่ว่ามาแล้ว น, นั่ น, น, น, นยังมีเอกอัคคี การครบเม็ดพระบรมศาสนาผัสสอนเม็ดแท้สี่จำพวกเม็ดหนูอุปการะสองเม็ดร่วมสุขร่วมทุกษาเม็ดแหนประโยชน์สี่เม็ดมีความรักใคร่เม็ดสี่จำพวกนี้เป็นเม็ดแท้ควรคบหนึ่งเม็ดมีอุปการะมีลักษณะสี่หนึ่งป้องกันเพื่อนผู้อมาแล้วสองป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้อมมาแล้วสามเมื่อมีเพรอาเป็นที่พึ่งความนักได้สี่เมื่อมีทุระช่วยออกจากให้เกินกว่าที่ตอกอฝากสองเม็ดร่วมสุขร่วมทุกเมีลักษณะสี่ 1. ขยายความรับของตนใจเพื่อนสองปิดความรับของเพื่อนไม่ให้แพร่งภายสามให้รัดทิ้งในยางม่บัตรสี่แม่ชีวิตกาอาสละทยแทนได้สามให้แต้ประโยชน์ในรัตษสีหนึ่งห้าแม่ทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี่ให้ฟังสี่ บอกทางสวรรค์ให้4มิตรมีความรักไถ่มีลักษณะ4ทุกก็ทุกด้วยซุบ ก, ก็สุบด้วย3ต้เถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อน4รับรองคนพูดสนะเสริญเพื่อนมิตรชักชวนในทางชีบหายมีลักษณะี่อกอูอถกถูถูกแล้ ว, ลวมิตร4อจําพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรคด สีจ่จำพวกจำพวกระสี่ข้อเป็นสิบหกข้อสี่สี่เป็นสิบหกมิตรประเทศลูกคือคนเทียมมิตรไม่ควรครบหนึ่งคนปลอข้อสองคนดีแต่พูดสามคนหัวประจบสี่คนชักส่วนในทางชิบหายคนสีจ่จาพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรไม่ควรครบพระบรมศาส์ลาสอนห น, หนึ่งคนต่อ ร, รอกมีลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาแต่ด้าทรายเดียวสองคิดเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มาก สามเมื่อวิภายแก่ตัวจึงรับทํากิจช่วยเพื่อนเพื่ออยกขอตัง้งค์สี่คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวสามคนพ่อประสบมีลักษณะสี่หนึ่งจะทําดีมันก็ค่อยตามสองจะทําช่วนมันก็ค่อยตามสามต่อหน้าว่าสนับสนุนสี่รับหลังตั้งเนินทางสี่คนชักพวนในทางชิพหายมีลักษณะสี่หนึ่งสักพวนดื่มเหล้าเมาสองสักพวนเช่ากลงคืน สามสักครั้ให้โมเมาการเล่นสี่สักครั้เล่นการพนันมิตรสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่ควรจะมิตรไม่ควรครบนก็บรรลมาศาสนาส่วนที่เคยสามเณรมันลวงมาแน้ๆสอนโลกบางท่านบอกว่าธรรมดาพระไม่ต้องมาเป็นการบ้านการเมืองว่าอย่างนั้นเออถ้าพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะให้ไปสอนผีตัวไหนนั่นรักษาเทวมนุษย์สานัง เป็นพวกสอนของเทวดาในมนต์ทั้งหลาย kind of <N 26 2> นั่นเขบรมศาสตร์ตาสิ่งเหล่านี้ใครพวกโลกโลกละนานที่นาให้ดีเนอะทุกสิ่งทุกอย่างมันพ like e so ี่กันพี่กันาแล้วทางโลกพวกลูกๆลกละนานเรียนแล้วหลวงปู่สู้ไม่ได้แต่ทางธรทำคงจะไม่สนใจมากใช่ไหมนั่นแล้วเจี๊ยแค่สงบไม่ยาก สงบแล้วเป็นฐานธาตอะไรบ้ถ้าจิตสงบแล้วถ้าจิตลมปราในเวลาจิตสงบพ็ไปเกิดในภพ ม, มโลกเป็นอย่างต่ำเพราะอา น, นิสงชาฌานฌานัานางแปลว่าเพ่งอยู่สมาธิิงหรือพัฒนาสมาธิแปลว่าตั้งมั่นในการเพ่งอยู่สมาธิแปลว่าตั้งมัน่นในเป้าที่เราหมายไว้ถ้าหากว่าเราจะเป้าที่เราหมายไว้ ให้มั่นคงเช่นลมหายใจเข้าออกอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิง่ายพุทธหายใจเข้าโพหายใจออกนั ô, ó, ่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เว้นไว้นอนก็ได้เว้นไวแต่หลับเรื่องหลับก็ให้หลับไปซะแล้วภาวนาพุทโธธรรมก็อยู่ที่แห่งเดียวสังโฆก็อยู่ที่แห่งเดียวแล้วพุทโธแปลว่าผู้รู้ละบาบําเพนบุญธรรมโอสองไม้ซึ่งละบาบําเพนบุญสังโฆปฏิบัติเพื่อละบาบําเพนบุญก็อยู่ด้วยกัน อะไรวพุโ ท, ธทโธธรรมโอทัอยู่ที่ดวงใจของเราเองไม่ได้อยู่ที่อื่นความดีจะมีมากก็ามาออกไปจากใจของเราความชื่อจะมีมากก็มาออกจากใจของเราถ้าจะย่นมาเขาย่นมาหาใจของเรานี้ย่นเป็นหนึ่งเป็นเอกนิบาตเอกนิบาตแปลว่าทำในบทเดียวถ้าขยายออกเป็นสองก็กายทับใจถ้าขยายเป็นส่สามก็กายวา ย, ายใจถ้าขยายออกเป็นสี่ก็ธาตุสี่ดีหน้าไปลง ถ้าขยายออกเป็นห้าเขาลูกเวสนาสัญญ า, าสถานเวีย ญ, ญา ณ, าญญาณถ้าขยายออกเป็นหก็ตาของส่งริ้นสายใจถ้า ย, ย่นลงมาเขา ย, ย่นลงมาหาใจสมมติว่าเอา้าตั้งฐานไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเ ข, าออข้ากระทบแผงไหนกระทบเพดานเมืองบนหรือฟิล์มฟิล์ปากเมืงบนลมหายใจออกก็ทบกระทบปลายจมูกอันนี้ยังไกลยอยู่ เราไม่ผ่านดั้งจมูกสะไปผ่านที่ไหนก็จ้องอยู่ที่นี่หายใจเข้ายาวก็ให้รู้จักหายใจออกยาวก็ให้รู้จักอยู่ไว้ไที่นี่ถ้าเรานี้จากที่นี่เขาเรียกว่าทับแตกล้มเพาะแตกออกนี้หนีจากล้มเพาะไม่ได้ต้องอยู่ในล้มเพาะต้องเชื่อคําสัตว์ของตนพุทโธพทโธอยู่ข้าวเขาลงหายใจเข้าออไปในรถในเรือก็เมือนกันไปเป็นตำรวจทหารก็เหมือนกันเขาไม่สามารถทําอันตรายได้ เรีนพุทโธแล้วถพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนลงเราก็เหมือนอยู่คองชีพด้วยถ้าพุทธศาสนาพินาศลงชาวพุทธเราจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหวัดม้วยสุดทิ้นสกูลพุทธนี้วามายอเนียง คงสี่สิเก็าสี่สิบแปดได้ไงสทพันสี่รอยสองพันสี่รอแปดหกลวงปู่มวอเป็นมหาในกายอยู่ส อ, องพันษาแล้วกรรมายติธรมยุทธสองพันสี่รอยแปดสิแปดแล้วค่ะหลวงปู่เป็นยุิกาจทสองันสี่ร้อแปดสิบเก้ามาอยู่กับหลวงปู่ม่อนอยู่อุดรสามพันษาแปดที่หกอยู่อุดรแปดสิบเกาอยู่อุดร แปดที่แปดอยู่โอรอนปที่เก้ามหาลมกโมัานเก้าสิบอยู่ที่นันเก้ที่อดอยู่ที่นันกสองอยู่ที่นันเกชาทีสามชานกิจแล้วถวายพระเพลิงแล้วครับลงไปทังภาคใต้ครับหลวงปู่เทศเคศสดงสียู่นดอกเฟยที่นดอกเอเยเป็นพระคาับ ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีสีที่อาถรรพ์โอ้ไม่ใช่ชั้นพี่ชายชั้นครูบาอาจารย์ตั้งเก้าปีเดียร์นะแลวครูเขาแปดเทปอง์ท่านคงเสือเป้าสิบแล้วเนี่ย